เวลาท่านไม่สบายอยู่ในป่าอยู่ในเขาท่านไม่ค่อยสนใจกับยูกยาอะไรเลยยิ่งไปกว่าการระ ง, งับด้วยธรรมโอสถซึ่งได้ผลทั้งทา ง, ทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันและยึดเป็นหลักใจระลึกไว้ได้นานกว่าธรรมดาท่านเคยระ ง, งับไข่ด้วยวิธีภาวนามาหลายครั้งจนเป็นที่มั่นใจต่อการพิจารณาเวลาไม่สบายเริ่มแต่จิตเป็นสมาธิคือมีความสงบเย็นใจเวลาเป็นไข่ทีไรท่านต้อง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 แต่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนไม่ยอมพิจารณาผู้นั้นไม่มีวันพ้นทุกข์ไปได้เพราะทางไปนิพพานต้องอาศัยทุกข์กับสมุทัยเป็นที่เหยียบย่างไปด้วยมรรคเครื่องดำเนินพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันทุกทุกพระองค์ท่านสําเร็จมรรคพ้นนิพพานด้วยสัจธรรมสีกันทั้งนั้นไม่ยกเว้นแม้องค์เดียวว่าไม่ได้ผ่านสัจธรรมสี่โดยสมบูรณ์ก็เวลานี้มีสัจจะใดบ้างที่กําลังประกาศความจริงของตนอยู่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 ท่านจงพยายามพิจารณาให้รู้แจ้งสัจจคือทุกขเวทนาที่กําลังประกาศตัวอยู่อย่างโจงแจ้งเปิดเผยในกายในใจท่านเวลานี้อย่าปล่อยให้ทุกขเวทนาเหยียบย่ําทําลายและการเวลาผ่านไปเปล่าขอให้ยึดความจริงจากทุกขเวทนาขึ้นสู่สติปัญญาและตีตราประกาศฝังใจลงอย่างแน่นหนาะแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าความจริงสี่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไปตลอดมานั้นบัดนี้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 มีแต่ความภาคภาคูมิใจที่สัมผัสสัมพันธ์กับความที่ได้รู้แล้วเห็นแล้วโดยสม่ำเสมอไม่แสดงอาการรุ่มรุ ม, รมดอนดอ น, ดอนเพราะไข้กำเริบหรือไข้สงบตัวลงแต่อย่างใดนี่แหละคือการเรียนทำเพื่อความจริงปราะท่านเรียนกันอย่างนี้ท่านไม่ได้ไปปรุงแต่งเวทนาต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการเช่นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ตามชอบใจซึ่งเป็นการสั่งสมสมทายให้กำเริบรุนแรงยิ่งขึ้นแทนที่จะเป็นไปตามใจชอบ ท่านจงจำไว้ถึงใจเจรนาให้ถึงอัตถึงธรรมคือความจริงที่มีอยู่กับท่านเองซึ่งเป็นฐานะที่ควรรู้ได้ด้วยตนเองแต่ละรายละลายผมเป็นเพียงผู้แนะอุายให้เท่านั้นส่วนความเก่งกาจอาถรรพ์หรือความล้มเหลวใดๆนั้นขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาโดยเฉพาะผู้อื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเอานท่านจงทําให้สมหน้าสมตาที่เป็นลูกศิษย์มีครูสั่งสอนจะนอนเป็นที่เช็ดเท้าให้กิเลส ข, ขึ้นย่ายีตีแผ่ได้ จะแย่และเดืดอดร้อนในภายหลังเพาว่าผมไม่บอกท่านลาวะพอท่านเทศให้เราแบบพยุบบุคแคมอยู่พักใหญ่แล้วก็หนีไปเราเองรู้สึกตัวจะลอยเพราะความปิติยินดีและตื่นตันในโอวาทที่ฉลาดแหลมคมและออกมาจากความเมตตาท่านลนุลนๆไม่มีอะไรจะมีคุณค่าเสมอเหมือนได้ในเวลานั้นพอท่านไปแล้วเท่านั้นเราเองก็น้อมอุบายที่ท่านเมตตาสั่งสอนเข้าพิจารณาแก้ทุกขเวทนาที่กําลังแสดงตัวอยู่เต็มความสามารถ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 ออกเป็นพิเศษส่วนหนึ่งแล้วพิจารณาที่เอียงหาเหตุผลต้นปลายของตัวทุกข์ที่กําลังแสดงอยู่ในกายอย่างชฉนมุนวุ่นวายโดยไม่ได้มีกําหนดว่าทุกข์จะดับเราจะหายหรือทุกข์จะกําเริบเราจะตายแต่สิ่งที่หมายมั่นปั้นมือจะให้รู้ตามความมุ่งหมายเวลานั้นคือความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเฉพาะที่อยากรู้มากในเวลานั้นคือทุกข์สัตว์ว่าเป็นอะไรกันแน่ทําไมจึงมีอํานาจมาก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 เพราะความกลัวทุกตัวเดียวนี้เท่านั้นเราเองก็นับเข้าในจํานวนสัตว์โลกผู้ขี้คลาดวาดกลัวทุกจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับทุก์ที่กําลังแสดงอยู่นี้จึงจะเป็นผู้องอาจกล้าหาญด้วยความจริงเป็นพยานเอาละเราต้องสู้กับทุก์ด้วยสติปัญญาตามทางศาสดาและครูอาจารย์สั่งสอนไว้เมื่อสักครูน่นี้ท่านอาจารย์มั่นท่านก็ได้เมตตาสั่งสอนอย่างถึงใจไม่มีทางสงสัยท่านสอนว่าให้สู้ด้วยสติปัญญา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 ท่านว่าท่านได้เริ่มเชื่อสัตรธรรมมีทุกข์สัตว์เป็นต้นว่าเป็นของจริงแต่บัร น, นั้นมาอย่างไม่หวั่นไหวแต่นั้นมาเวลาเกิดเจ็บไข้หรือป่วยต่างๆขึ้นมาใจามีทางต่อสู้การ ก, กับทุกขเวทนาเพื่อชนะทางสติปัญญาไม่ออนแอโวกเปียกใจมักได้กำลังในเวลาเจ็บป่วยเพราะเป็นเวลาเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกันจริงๆทมที่เคยถือเป็นของเล่นโดยไม่รู้สึกตัวมาประจํานิสยัยปุถุชนในเวลาธรรมดาไม่จนตรอ ก็แสดงความจริงให้เห็นชัดในเวลานั้นขณะพิจารณาทุ ก, กเวทนารอบแล้วทุกดับไปใจก็รวมลงถึงฐานของสมาธิหมดปัญหาต่างๆทา ง, ทา ง, ทางกายทางใจไปพักหนึ่งจนกว่าจิตถอนขึ้นมาซึ่งกินเวลาหลายชั่วโมงมีอะไรค่อยพิจารณากันต่อไปอีกด้วยความอาจฐานต่อความจริงที่เคยเห็นมาแล้วท่านว่าเมื่อจิตรวมลงถึงฐานสมาธิพร้อมานาจการพิจารณาแล้วไข่ได้หายไปแต่บัด น, นั้นไม่กลับมาเป็นอีกเลย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 ท่นเร่งความภาคเพียนในท่าและอิริยาบถต่างๆมากกว่าภรษาคนก่อนซึ่งเคยเข้าใจว่ามีความเพียรดีแต่ภรษานี้มีพิเศษไปกว่าภรษาที่เหลืแล้วมาโดยมีอิริยาบถสาด้วยการประกอบความภาคเพียนถ่ายเดียวคือยืนเดินนั่งทำความเพียรไม่ยอมนอนหากจะมีหลับบ้างกว่าให้หลับในท่านั่งทําสมาธิภาวนาขณะที่ท่าขันเพียบเต็นที่ตามสภาพของมันที่ทนทานต่อการไม่ยอมหลับเลยไปไม่ไหว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 เพื่อเอาแพ้อเอาชนะกันระหว่างกิเลสตัวเห็นแก่เสื่อแก่หมอนนอนทอดอะไรตาอยากแบบคนสิ้นธาตุลาตัวยาวเหยียดเหมือนงูกับศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมแล้วก็ว่ากิเลสตัวดึงดูดพระลงเสื่อลงหมอนต้องทนอดอาหารวงเล็บเปิดเนื้อพระอร่อยสําหรับกิเลสวงเล็ปิดท้องแฝบไปสามเดือนพระธรรมทั้งข้าทังกล่าวแล้ว ได้โอกาสก้าวเดินตามวิถีทางของศาสดามองเห็นชัยชนะจากการต่อสู้ด้วยความเพียรในท่าอิริยาบถสามไม่ห่างไกลจากตัวเลยเกลับจะได้จะถึงทำอยู่ทุกอิริยาบถพอให้เกิดกําลังใจในความเพียรอยู่ตลอดเวลาร่างกายก็เบาใจก็เบาด้วยธรรมประเภทต่างๆความเพียรก็เบาในการเคลื่อนไหวเพื่อต่อยุทธกับกิเลสไม่สะทกสะท้านต่อความทุกข์ความลำบากในการต่อสู้กับกิเลส ท, ที่เห็นว่าเป็นค่าศึกอย่างถึงใจ ในคืนวันหนึ่งขณะนั่งสมาธิภาวนาจิตสงบลงอย่างละเอียดถึงฐานสมาธิและพักอยู่เป็นเวลานานพอสมควรแล้วถอยออกมาอยู่ขั้นอุปจารสมาธิจิตปรากฏนิมิตเป็นแผ่นดินไหวหมุนเป็นกรงจักจิตเพ่งพินิษเท่าไรนิมิตนั้นยิ่งหมุนเร็วราวกับฝ้าดินจะถล่มในขณะนั้นในความรู้สึกปรากฏว่าตัวเหาะลอยไปตามแผ่นดินโดยไม่ได้ก้าวเดินเลยขณะที่กายในนิมิตเหาะลอยอยู่นั้น คล้ายกับเหาะลอยไปมาอยู่บนทางจงกรมที่เจ้าของเคยเดินในเวลาปกติและเหาะลอยไปมาอยู่หลายตลบจึงหยุดและปรากฏแสงสว่างขึ้นในขณะที่กายหยุดเหาะลอยแสงสว่างในนิมิตนั้นปรากฏว่ามาจากบนท้องฟ้าส่องสว่างเข้าในดวงใจท่านทําให้มองเห็นอวัยวะส่วนต่างๆภายในร่างกายได้อย่างชัดเจนและเพลินในการพิจารณารูร่างกายส่วนต่างๆด้วยอสุภกรรมฐานและไตรลักษ์อยู่เป็นเวลานาน ใจมีความยิ้มแย้มแจ่มกระจายด้วยปัญญาศรัท ธ, ธาอุตสาหะอย่างแรงกล้าอุบายต่างๆอันเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆเกิดขึ้นโดยสม่ำเสมอนับว่าในบรรษานั้นใจมีกําลังมากรู้เห็นได้อย่างเด่นชัดไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเข้ารบกวนดังที่เคยเป็นบ่อยในการที่เราแล้วมามีแต่ความมั่นคงทางสมาธิและความแยบขายและคล่องตัวทางสติปัญญาเป็นคู่มิตรแห่งความเพียรประจําใจ ในอิริยาบถต่างๆระหว่างจิตกับสติปัญญาอันเป็นลักษณะความเพียนอัตโนมัติเริ่มปรากฏตัวอย่างเด่นชัดภายในจิตอิริยาบถ ท, ทั้ง4ี่เว้นแต่ขณะหลับจิตอยู่ในท่าแห่งความเพียนโดยสมเสมอๆๆไม่ถูกบังคับขู่เข็นเหมือนแต่ก่อนซึ่งจำต้องบังคับถูถายกันเป็นประจำไม่งั้นกิเลสนําขึ้นเขียงชนิดตามยุ้อแยกไม่ทันเลยเพราะระยะนั้นกิเลสคล่องตัวรวดเร็วแหลมคงกว่าธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นต้นเป็นไหนๆใครจะไม่ควรอวดตัวว่า เก่งกล้าสามารถขนาดจิตที่อยู่เพียงสมาธิความสงบเท่านั้นแม้จิตสงบก็ยังตกอยู่ในอำนาจเพลงกล่อมของกิเลสให้ติดในสมาธิไม่สนใจออกพิจารณาทางด้านปัญญาอันเป็นอุบายถอดถอนมันออ ก, กจากใจจนได้ต่อเมื่อบัญญาเคลื่อนย้ายออกทํา ง, งานการรบการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆและได้ใช้ชนะไปโดยลําดับไม่อับจนอย่างง่ายดายนั่นแหละจึงจะเริ่มรู้เพลงกล่อมของกิเลสชนิดต่างๆได้โดยลําดับว่า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 ธรรมาวุธทุกประเภททุกขนาดเริ่มเครียงไกฉายแสงเพลวพป่าออกมาแล้วสนุกขุดคนหยิบยกขึ้นห่อมหันกับกิเลสชนิดต่างๆอย่างไม่อั้นไม่ออมแรงความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกนับวันมีกำลังกล้าถึงขนาดเร่งความเพียนชนิดกล้าเพียนกล้าตายใครดีใครอยู่ใครไม่ดีจงบรรลัยไม่มีคำว่าเสียดายป่าช้าการเกิดตายซึ่งเป็นกวางหนามที่กิเลสปักเสียไว้ใจดวงที่กิเลสเคยเป็นเจ้าอำนาจครอบครองมานานแสนนาน จะไม่ยอมปล่อยให้มันครอบครองอีกต่อไปต้องเป็นปิสุธทธิธรรมอันประเสริฐเลิศเล อ, เ, ลอเท่านั้นครอบครองใจที่จะยอมให้กิเลสพัฏจักรก็ครองใจทำก็ครองใจแต่ถูกขับไล่ให้พ่ายแพ้แก่กิเลสอยู่ร่ำไปดังที่เป็นมาแล้วนั้นจะไม่ยอมให้มีในใจดวงนี้ได้อีกอย่างไรต้องปราบวัฏจักรวัฏจิตให้บาลายลงจากใจพบนี้และในไมชานี้ด้วยธรรมาวุธอันทันสมัยอย่างไม่สงสัย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 เป็นไฟราคาตันหาแสดงขึ้นมาจากใต้ถุนกุดีมิได้แสดงขึ้นกับใจท่านเองท่านกนําหนดพิจารณาทบทวนก็ทราบอยู่อย่างนั้นว่าเป็นไฟราคาตันหาแสดงขึ้นมาจากใต้ถุนกุดีสําหรับในจิตท่านไม่มีไม่ปรากฏว่าจิตเป็นราคาตันหาแต่อย่างใดขณะที่ท่านกําลังชนมุนวุ่นวายอยู่กับการพิจารณาฝ่ไฟชนิดนั้นก็ไม่คิดสะดุดใจว่าฝ่ายนี้มาจากอะไรที่ไหนเป็นเพียงรำพึงอยู่ภายในใจว่า ไยราคะนี้มันติดตามเรามาได้อย่างไรเพราะเราไม่ได้มีความกำนัดยินดีกับหญิงชายใดๆใจก็เป็นปกติไม่เกิดราคะการไปบินทบาตในหมู่บ้านก็ไปด้วยความสำรวมระวังมีสติอยู่กับตัวระวังสังเกตทุกแง่ทุกน ม, มบรรดาอารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกต่อจิตใจใจก็ไม่เห็นมีเรื่องราคาตัญหาเป็นอารมณ์แต่อย่างใดพอเรื่องไฟสงบไม่แสดงอีกท่านก็ลืมตาขึ้นจะออกจากการภาวนาหลังจากฝนหยุดแล้ว ก็พอดีมองเห็นด้านหลังผู้หญิงคนหนึ่งกําลังเดินออกไปจากใต้ถุนกุดีทําให้ท่านนําเรื่องไฟที่เผาคนท่านออกพาดพิงกับหญิงที่เพิ่งออกไปจากกุดีท่านหญิงคนนี้คงคิดไม่ดีกับเราเหตุการณ์จึงได้แสดงขึ้นทนองนี้ที่เราเองก็ไม่คาดไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ความจริงผู้หญิงคนนั้นอยู่ใน ว, วัยเบญจเพศยังไม่แก่อะไรเลยอาจจะเป็นสาวแก่หรือแม่ไม่มากกว่าหญิงที่มีสามี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 ท่านไม่ได้เล่าโดยการตำหนิติฉินนินทาหญิงนั้ำแต่อย่างใดเป็นเพียงท่านยกหญิงนั้นขึ้นเป็นต้นเหตุให้ได้ทราบเรื่องกระแสภายในภายนอกของจิตว่าเป็นสิ่งละเอียดมากเกินกว่าธรรมดาจะรู้จะเห็นได้นอกจากการพิจารณาทางภาคปฏิบัติจิตภาวนาจึงสามารถทราบได้เป็นขั้นๆตอนๆไปท่านว่าตอนนั้นจิตท่านละเอียดมากพอสมควรสติปัญญาก็าดีและรวดเร็วต่อเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ชักช้าเหมือนขั้น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 ใจิตใจรีบด่วนต่อความเพียรด้วยสติปัญญาอย่างมากส่วนการสวดมนต์สูตรต่างๆดังที่เคยสวดมาแต่เก่าก่อนท่านต้องงดทั้งสิ้นเร่งทางด้านสติปัญญาอย่างเดียวเพื่อให้หลุดพ้นอย่างรวดเร็วทันการเวลากลัวจะตายไปเสียก่อนยังไม่ถึงจุดที่หมายอันพึงใจได้แก่พระอระหัตธรรมภรษาต่อมานี้ไข้กว่านัดความเพียรก็เอาการไม่มีใครย่อหย่อนอ่อนข้อต่อใคร การไข้ก่าไข้ได้ตลอดพรรษาการพิจารณาทุกขเวทนากับกายอันเป็นเรือนรางของทุกข์ก็ไม่ลดละท้อถอยไข้หนักทุกมากเท่าไรยิ่งราวกับใสเชื้อเพลิงป้อนสติปัญญาให้แสดงรวดลายอย่างเป็นฝีมือใจถือเอาทุกเวทนาที่เกิดจากไข้และกายที่เกี่ยวโยงกันกับทุกขเป็นเวทีต่อสู้กับกิเลสชนิดไม่มีการให้น้าในบางการถ้าสติปัญญาจะมัวให้น้าอยู่ ไข่ก็เอาตายและแพ้ราบคาบยากต้องต่อสู้กันแบบสดๆร้อนๆไข่และทุกไม่ผ่อนคลายความเพียรจะผ่อนคลายไม่ได้ไม่ทันกันตราบกันไม่อยู่ต้องเอาให้อยู่ในเงื้อมือของความเพียรขณะนั้นจะหลีกเลี่ยงไปไหนไม่ได้ต้องสู้จนเห็นเหตุเ ห, เ, หเห็นผลท่าเดียวจึงจะมีชัยและภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเองในภรรษานี้นับวันหนักและหักโหมเอาการทั้งทางร่างกายและทางจิตเพราะเป็นไข่ม a l เรียตลอดพรษา ทุกทางร่างกายจึงมากทางใจความเพียนก็หมุนตัวเป็นเกลียวไปตามไข่และทุกขเวทนาเพราะออกพรรษาไข่ก็ค่อยๆหายไปองค์ท่านเองก็ออกเที่ยววิเวกเปลี่ยนสถานที่ไปตามอัตยาใัยไม่เหยื่อย้ายกับสิ่งใดนอกจากความเพียนอย่างเดียวในระยะนั้นเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเย็นวันหนึ่งเมื่อปัดกวาดเสร็จท่านออกจากที่พักไปส่งน้ําได้เห็นข้าวในไร่ชาวเขากําลังสุกเหลืองอาร่าม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 พิจารณาย้อนหน้าถอยหลังอนุลม์ปฏิลมด้วยความสนใจอยากรู้ตัวจริงแห่งอวิชชานับแต่หัวค่าจนดึกไม่ลดละการพิจารณาระหว่างอวิชากับใจชวนสว่างจึงตัดสินการลงได้ด้วยปัญญาอวิชชาขาดกระเด็นออกจากใจไม่มีอะไรเหลือการพิจารณาข้าวก็มายุติกันที่ข้าวสุกหมดการง้ออีต่อไปการพิจารณาจิตก็มายุติกันที่อวิชชาดับลายเป็นจิตสุขขึ้นมาเช่นอยู่กับข้าวสุก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 เราวก็เป็นชาวฟ้ามาจากบนสวรรค์กันทั้งสิ้นจิตระลึกถึงบุญถึงคุณที่เขาเคยมีแก่ตนอย่างเหลือล้อนพ้นที่จะพรรณนาคุณให้จบสิ้นลงได้เกิดความเมตตาสงสารชาวป่าแดนสวรรค์เป็นประมาณอดที่จะแผ่มเมตตาจิตอุทิศนกุศลแก่เขาไม่ได้ตลอดสายทางที่ผ่านมาจนถึงบริเวณที่พักอันแสนสํนาราญขณะจัดอาหารทิพย์ของชาวเขาลงในบาดใจก็อิ่มทรรมไม่คิดสัมผัสกับอาหารที่เคยนํารง และให้ความผาสุกแก่อัตภาพมาแต่อย่างใดแต่ก็ฉันไปตามธรรมเนียมที่ท่านกับอาหารเคยอาศัยกันมาท้าเราว่านับแต่วันเกิดมาก็เพ่งมาเห็นชีวิตท่าดขันกับจิตใจปลองดองสดชื่นต่อกันเหลือจะพณ น, นาให้ถูกต้องกับความจริงได้ในเช้าวันนั้นเองเป็นความอัศจรรย์และพิเศษผิดคาดผิดหมายและกลายเป็นประวัติสาคัญของชีวิตยางประทับใจตลอดมานับแต่ขณะโลกท่านไหว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 สงบลงได้เพราะวิชาตัญหาเป็นหัวหน้าบงการบัญชา ง, งานให้โกราหหนุนวุ่นวายร้อยแปดพันประการนั้นได้สงบลงอย่างราบรื่นชื่นใจกลายเป็นโลกร้างว่างเปล่าภายในจิตที่ผลิตวิชาทำอันบวรขึ้นสวยเมืองจิตรรชแทนอธรรมจิตนอกการภายในได้เป็นไปโดยโดยทำความสม่ำเสมอไม่มีอริฆ่าศึกศัตรูมาก่อกวนวุ่นวายตาเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่น ลิ้นริมลดรดกายสัมผัสเย็ยนร้อนอ่อนแข็งใจรับทราบอารมณ์ต่างๆเป็นไปโดยธรรมชาติไม่อาจเอื้อมปีนเกลียวยุยแยแปรรูปคดีให้ผิดเป็นถูกผูกเป็นแก้แย่เป็นดีผีเป็นคนพระเป็นเปรตเปรตกลับเป็นคนดีดังที่เจ้าอาธรรมมีอำนาจบัญชา ง, งานมาแต่กาวก่อนนั่งอยู่สบายแม้เป็นหรือตายก็มีความสุขนี่คือท่านผู้นิรทุกนิรภัยแท้ ร า, าจากเครื่องร้อยรัดโดยประการทั้งปวงซึ่งเป็นคำท่านอุทานในใจท่านเวลานั้นหลวงปู่ขาวก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นซึ่งปลื้มทุกสิ้นภัยออกจากใจได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้านเล่าว่าสถานที่บําเพ็ญจนถึงความสิ้นทุกภายในก็ดีกระท่อมปุดีเล็กๆพอหมกตัวทําความเพียรและพักผ่อนกายก็ดีสถานที่เดินจงกรมก็ดีสถานที่นั่งสมาธิภาวนาในเวลากลางวันและกลางคืนก็ดี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 หายสงสัยในประสง์สาวกองค์สุปฏิปันโนผู้บริสุทธิ์ทั้ง ส, สามรัตนนีได้เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในใจมีความเป็นอยู่ด้วยพุทธ ธ, ธรรมะและสังฆะองค์บริสุทธ์รวมกันเป็นธรรมแท่งเดียวมีความสบา ย, ายหายห่วงนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่มีเครื่องกดทวงลวงใจอยู่ในอิริยาบทใดก็เป็นตัวของตัวไปตามอิริยาบทนั้นนั้นไม่มีสิ่งกดขีดหรือแอบแทะขอแบ่งกินแบ่งใช้เหมือนแต่ก่อน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 และเป็นการอันมีคุณค่ามหาศาลไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในไตรภพผิดกับความเป็นของสมุทรทั้งหลายที่ต่างปรารถนาความเกิดเป็นส่วนมากและออกหน้าออกตามิได้สนใจในทุก์ที่จะติดตามมาพร้อมกับความเกิดนั้นๆบ้างเลยความจริงการเกิดกับความทุกข์นั้นแยกกันไม่ออกแม้ไม่มากก็จําต้องมีจนได้นักปรารท่านจึงกลัวความเกิดมากกว่าความตายผิดกับพวกเราที่กลัวความตายซึ่งเป็นผลมากกว่ากลัวความเกิด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 จึงไม่ได้ทำแบบโลกๆที่ทำกันนอกจากท่านเมตตาสงสารและช่วยอนุเคราะห์สั่งสอนส่วนที่สุดวิสัยก็ปล่อยไปด้วยความหมดหวังจะช่วยได้หลวงปู่ขาวเป็นผู้ผ่านพ้นภัยพิบัติสารพัดที่เคยมีในสงสารบัดนี้ท่านถึงสาอุปาทิเสสนิพานในสถานที่มีนามว่าโรงขอดแห่งอำเภอพร้าจังหวัดเชียงใหม่ในราวรรษาที่16หรือ17จผู้เขียนจาไม่ถนัด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 ขันเริ่มแรกที่คละเค้าไปด้วยทั้งความลมลุกคุกคลานทั้งความลมความเหลวทั้งความดีความเลวสับปนกันไปทั้งความดีใจเสียใจอันเป็นผลมาจากความเป็นลุ่มรุ่มดอนๆอนของการปฏิบัติที่เพิ่งฝึกหัดในเบื้องต้นจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งกิตแห่งธรรมของแต่ละฝ่ายผลแห่งการสนทนาจากท่านเป็นที่พอใจอย่างยิ่งเมื่อได้โอกาสจึงได้อาราธนานำลงในปฏิปทาของพระทุดงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นเพื่อท่านผู้อ่านที่สนใจใคร่ทำ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 ทาไมรอตายก็ไม่อาจรู้ได้เฉพาะองค์ท่านผู้เขียนลอกขมโมยถวายน้าท่านว่าเพชรน้ำหนึ่งในวงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นมาเกือบสามสิบปีแล้วโดยไม่กระดากอายคนจะหาว่าบาเลยเพราะเกิดจากสธาของตัวเองพ อ, อ24 24ศ .2488 ถึง2489ภาษานี้ท่านจำที่แม่น้องหารอำเภอสันสายจังหวัดเชียงใหม่ในภาษา เมตตาเทศนาอบรมสั่งสอนศรัทธาพอสมควรเพราะจิตท่านพ้นลงหนาป่าทึบออกสู่แดนเบงว่างกว้างกวางหาประมาณไม่ได้จิตเป็นอวกาศจิตทำเป็นอวกาศธรรมลมกลืนเป็นอันเดียวกันโดยสมุูรแล้วไม่มีอะไรมากีดขวางลวงใจเหมือนแต่ก่อนอิริยาบถทั้งสี่เพื่อทาตุเพื่อคันเพื่อวิหารธรรมในทิฏฐธรรมของจิตเป็นความอยู่สบายพอออกภรรษาแล้วทำให้ท่าน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 ที่ต้องมีการพัดพรากจากการทั้งเป็นทั้งตายจึงจำยอมไปตามกฎแห่งคติธรรมดาท่านจึงมาชวนหลวงปู่แหวนสุจินโงเป็นเพื่อนเดินทางกลับอีสานด้วยกันเพื่อเยี่ยมถิ่นฐานบ้านเดิมและวงศาขณาญาติที่ได้จา ก, กันไปเป็นเวลายี่สิบกว่าปีนับว่าเป็นเวลานา น, านพอประมาณหากชีวิตไม่ทนทานทั้งเขาทั้งเราก็อาจตายไปเสียก่อนไม่ได้พบเห็นกันอีกและเป็นโอกาสอันเหมาะสมอย่างยิ่ง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 โลกจึงเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบสุขเย็นกายเย็นใจไม่ได้ไปที่ไหนมีแต่คนบ่นว่าทุกว่าลำบากยากเย็นเข็นใจให้ฟังแม้ในบ้านในเมืองที่นิยมกันว่าจเจริญก็ไม่พ้นที่จะได้ยินคำพบนทุกบ่นยากกันเวลาท่านไปทางพระอิศานจึงนิมนต์นำธรรมสมบูรณ์ทำไม่บกพร่องขาดแคลนทำสงบเย็นปากเย็นใจไม่บน่นไม่เดือดร้อนนอนคลางปแจเขาบ้างเขาจะได้โมทนา ในการไปรเยี่ยมเยียน ญ, ญาติของท่านผมเวลานี้กำลังต่อสู้กับทำเมายังไม่สางยังไม่หายเมานั่งอยู่ก็เมายืนอยู่ก็เมาเดินอยู่ก็เมานอนอยู่ก็เมานั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาอยู่ก็เมากิเลสตัวพาให้ประมาทโมเมามันยังไม่ยอมลงจากบนบาบนหลังบนคอบนหัวใจเคลื่อนไหวไปมาในที่ใดมีแต่ทำเมาเหล่านี้ออกทำงานเพ่นพ่านเต็มกายเต็มวาจาเต็มหัวใจ เมื่อรจะหายเมายัางไม่รู้ได้ท่านไปพระอีสานนิมนํามัมทนิมมทโนทำยังความเมาให้สางวัตูปเชโดทำตัดวัฏจิตตันหักคโยทำสิ้นตันหาวิราโคทำสิ้นราคาความกาหนักยินดีนิโรโทรทำดับกิเลสทั้งปวงนิพานังความดับสนิทแห่งกิเลสสมุททั้งมวลไปแจก ชาววัดและชาวบ้านเขาจะได้ดีใจโมทนาสาธุการสมกับท่านจากเขาไปนานนี่ท่านหลวงปู่แหวนสร้างหลวงปู่ขาวเวลาท่านหลวงปู่ขาวจะกลับไปทงางภาคอีสานสำหรับองค์หลวงปู่แหวนเองท่านไม่ไปท่านจะอยู่บาเพ็ญให้ได้ราหัสก่อนอยากไปไหนท่านจึงจะไปหลังจากสมหวังดังใจหมายแล้วท่านจึงนิมนต์หลวงปู่ชอบหลวงปู่บุตรไปด้วย ทั้งสองค์เดินทางจากเชียงใหม่มุ่งหน้าไปภาคอีสานและเดินทางไปกราบนรวศการหลวงปู่มั่นที่วัดบ้านน้องผือนาในโดยพักค้างคืนหนึ่งคืนระหว่างทางบำเพ็ญจิตบำเพ็ญธรรมเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่มั่นท่านขณะทำความเพียรก็รำพึงในใจว่าป่านนี้หลวงปู่มั่นคงนั่งภาวนามองดูตับไตไส้ภูมิของพวกเราทะลุ ป, ปลุกวงไปหมดแล้วก่อนที่เราจะไปถึงท่านเครื่องในในตัวเราคงไม่มีอะไรเหลือ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 ซึ่งล้วนเป็นแดนแห่งทุกข์และความเกิดตายของสัตว์โลกทั้งมวลเมื่อพักผ่อนฟังธรรมเครื่องรื่นเริงจากหลวงปู่มั่นพอสมควรจึงเข้ากราบลาหลวงปู่มั่นออกเที่ยววิเวกกรรมฐานแถวบริเวณใกล้เคียงหลวงใกล้เคียงหลวงปู่มั่นพักอยู่เช่นบ้านโคกมะนาวบ้านกุดบากอำเภอกุดบากจังหวัดสุโขทัยบำเพ็ญเพียนอยู่แถวแถวนั้นเป็นเวลาหลายเดือนจึงเริ่มพาพระเนนออกเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเดิม เมื่อท่านกลับไปถึงปิตุภูมิคือสถานที่เกิดที่อยู่เดิมของท่านประชาชน ญ, ญาติพี่น้องพอทราบว่าท่านกลับมาเยี่ยมต่างก็พากันดีใจราวกับจะเหาะจะบินไปตามๆกันและพร้อมกันอาราธนาให้ท่านโปรดเมตตาจำพรรษาที่นั้นท่านก็รับนิมนต์และสร้างที่พักขึ้นจำพรรษาที่บ้านบ่อชนเนงซึ่งเป็นบ้านของท่านเองหนึ่งพรรษาพอออกภรรษาแล้วก็ลาญาติโยมกลับมาจังหวัดสกลนครตามเดิม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 ไม่สะดวกแก่การพักบำเพ็ญและการโัวจรบินธบาตเนื่องจากท่านชอบไปพักตามหมู่บ้านเล็กๆราวห้าหเจลังคาเรือนเท่านั้นเพราะสะดวกแก่สมณธรรมไม่วุ่นวายด้วยฝูงชนพระเนนเข้าๆอาๆอกๆดังหมู่บ้านและวัดใหญ่ๆที่เคยผ่านมา <c oughs> หลวงปู่ขาวท่านชอบรักษาไข้ด้วยธรรมโอสฐ์ตลอดมาครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ภูเขาแถบจังหวัดสกนครซึ่งเป็นที่ชุกชุนด้วยไข้ามาลาเรีย หลังจากฉานเสร็จวันนั้นก็เริ่มไขยจับสันขึ้นในทันทีทันใดพ่อหมกีพื้นก็มีแต่หนักตัวเปล่าๆหาความอบอุ่นไม่มีเลยท่านจึงสั่งให้งดการบำบัดหนาวทางภายนอกจะ บ, บำบัดทางภายในด้วยธรรมดังที่เคยได้ผลมาแล้วและสั่งให้พระหลีจากท่านไปให้หมดให้รอจนกว่ามองหินบานประตูกระท่อุดีเล็กๆเปิดเมื่อไครค่อยมาหาท่านเมื่อพระไปกันหมดแล้ว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 ซึ่งคอยแต่จะคว้าหาหมอนเอาท่าเดียวเประนึ่งหมอนเป็นสิ่งประเสริฐเลิศกว่ามรรคผลิพานเป็ไหนๆคิดดูแล้วน่าอับอายตัวเองที่เก่งในทางไม่เป็นสาระการธรรมสาบางปีท่านจาที่ภูเขาองค์เดียวโดยอาศัยชาวไร่เพียงสองสามครอบครัวเป็นที่โคจรบินตาปาัดท่านว่าเป็นความผาสุขเย็นใจอย่างยิ่งในชีวิตของนักบวชเพื่อปฏิบัติธรรมวันคืนหนึ่งๆเต็มไปด้วยความเพียร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 ตลอดการจัดบริขารต่างๆไม่ถูกต้องประการใดท่านได้ตักเตือนอยู่เสมอท่นานสานั้นจึงเป็นเหมือนอยู่กับองค์ท่านอาจารย์มานตลอดเวลาท่านมาแสดงประเพณีของพระธุดง์ผู้มุ่งต่อความบุดพ้นให้ฟังว่าทุดงขวัตต่างๆควรรักษาให้ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์พระพุทธองค์ประทานไว้อย่าให้เคลื่อนคลาดและย ก, ยกทุดงขวัตสมัยที่ท่านพาหมู่คณะปฏิบัติเวลามีชีวิตอยู่ขึ้นแสดงซ้ําอีก เพื่อความแน่ใจว่าที่ผมพาหมูคณะดําเนินตลอดวันสิ้นอายุของผมก็เป็นธุดงควะที่แน่ใจยอยู่แล้วไม่มีสงสัยจึงควรเป็นที่ลงใจและปฏิบัติตามด้วยความเอาใจใส่และอย่าพึงเข้าใจว่ า, าศาสนาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าและเป็นสมบัติของพระสาวกองคหนึ่งองค์ใดแต่เป็นสมบัติของผู้รักใคร่สนใจปฏิบททัติทุกๆคนที่มุ่งประโยชน์จากาศาสนาพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่าน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 พระพุทธเจ้าที่ว่าทรงเป็นศาสดาสอนโลกนั้นม่ได้เป็นศาสนาเพียงเวลาแสดงธรรมให้พุทธบริษัทธ์ฟังเท่านั้นแต่ทรงเป็นศาสดาของโลกอยู่ทุกอิริยาบถทรงศีห์สยญาติคือนอนตะแคงข้างขวาก็ดีประทับนั่งก็ดีประทับยืนก็ดีสเสด็จไปในที่ต่างๆแม้ที่สุดสเสด็จภายในวัดก็ดีล้วนเป็นศาสดาประจำพระอาการอยู่ทุกๆอิริยาบถพระองค์ไม่ทรงทําให้ผิดพลาดจากความเป็นศาสดาเลยผู้มีสติปัญญา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 ให้พอยึดเป็นหลักได้ทั้งตัวเองและผู้อื่นส่วนพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างโลกดังกล่าวมาแต่ทรงเป็นศาสนาอยู่ทุกพระอิริยาบถตลอดวันนิพพานแต่ละพระอาการที่แสดงออกทรงมีศาสนาประจำไม่ได้บกพร่องเลยใครจะยึดเป็นสารณะนะคือหลักพึ่งพิงเพื่อดําเนินตามเมื่อไรก็ได้เหมือนนั้นโดยไม่เลือกว่าเป็นพระอิริยาบถหรือพระอาการใดจึงสมพระนาม ว, ว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งสาม แม้ขณะจะเสด็จนิพพานก็ทรงสีหัสยานิพพานไม่ได้นอนถึงเนื้อถึงตัวกลัวค ว, วามตายร่ายมนบนเพอไปต่างๆทั้งที่โลกเป็นกันมาประจำแผ่นดินแต่ทรงสีหัสยานิพพานส่วนพระไถ่ก็ทรงทําหน้าที่นิพพานอย่างอ ง, อ, งอาจกล้าหาญ ร, ราวกับจะทรงพระชนอยู่กับโลกตั้งกับตั้งกันความจริงคือทรงประกาศความเป็นศาสดาของโลกในวาระสุดท้ายด้วยการเข้าชานและนิโรธสมาบัติทรงถอยเข้าออก จนควรแก่การแล้วจึงเสด็จปรินิพานไปแบบาศาสดาโดยสมบูรณ์ไม่ทรงยือยาดกับสิ่งใดๆในสามภพนั่นและาศาสดาของโลกทั้ง3ท่านทรงทําตัวอย่างเป็นแบบฉบับของโลกตลอดมาแต่ขณะวันตรัสรู้จนกระทวันเสด็จปรินิพานไม่ทรงลดละพระอาการใดๆจากความเป็นาศาสดาให้เป็นกิริยาอย่างคนสามัญธรรมดาทากันทรงปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์จนวาระสุดท้ายจึงควร น, น้อมนําตัวอย่างของาศาสดามาปฏิบัติดําเนิน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 เช่นเดียวกับเปือไม่มีหางเสือบังคับจ่อมไม่สามารถแล่นไปถึงที่หมายได้และยังอาจลอยไปตามกระแสน้ำและเป็นอันตรายได้อย่างง่ายดายฉะนั้นหลักธรรมวินัยมีทุดงขวัดเป็นต้นคือหางเสือของการปฏิบัติเพื่อให้ถึงที่ปลอดภัยจงยึดให้มั่นคงยาโยครอนวันไหวผู้คอยดำเนินตามซึ่งมีจนวนมากที่ยึดราวเป็นเยี่ยงอย่างจะเหลวไหลไปตาม ทุดวงขวัตคือปฏิบัตาอันตรงแน่วไปสู่จุดหมายโดยไม่มีปฏิบัติใดเสมอเหมือนขอแต่ผู้ปฏิบัติจงใช้สติปัญญาสตาความเพียรพยายามดำเนินตามเถิดทำที่มุ่งหวังย่อมอยู่ในวิสัยของธุดวงที่ประทานไวจะพาให้เข้าถึงอย่างไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆกีดขวางได้เพราะธุดวงขวัตเป็นทางเดียวที่พาให้พนทุกข์ไม่เป็นอย่างอื่นจึงไม่ควรทําความเครือบแคลงสงสัยและทำนี้ เป็นที่รวมปฏิบทารเครื่องดำเนินเข้าสู่ความดับทุกข์ทั้งหลายด้วยพระที่มีความรักชอบในทุดงควัตคือผู้มีความรักชอบและจงรักภักดีต่อพระาศาสดาผู้เป็นบรมครูพระผู้มีทุดงควัตเป็นเครื่องดำเนินคือผู้มีฝั่งมีฝามีาศาสดาเป็นสาระในอิริยาบถ ท, ทั้งปวงอยู่ที่ใดไปที่ใดมีธรรมคอยคุ้มครองรักษาแทนาศาสดาไม่ว้าเวเร่ร่อนคลอนแคลนมีหลักใจเป็นหลักธรรม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 มิได้อยู่ใต้อำนาจแห่งความตายมิได้อยู่ใต้อำนาจแห่งความสาบสูนมิได้อยู่ใต้อำนาจแห่งการหมดความหมายใดๆพุทธะจึงคือพุทธะอยู่โดยดีธรรมะจึงคือธรรมะอยู่โดยดีและสังฆะจึงคือสังฆะอยู่โดยดีมิได้สอนสะเทือนไปกับความสำคัญใดๆแห่งสมมุติที่เสกสรรทำลายให้เป็นไปตามอำนาจของตนฉะนั้นการปฏิบัติด้วยธรรมานุตธรรมะจึงเป็น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 ท่านว่าปัรษาที่จําอยู่ในถ้าแห่งดงนาป่าเปลี่ยวนี้ทําให้เกิดอุบายต่างๆที่แสดงขึ้นทั้งภายในภายนอกมากมายตลอดเวลาทั้งกลางวานันกลางคืนผิดที่ทั้งหลายอยู่มากเป็นผู้มีราตรีเดียวด้วยความรื่นเริงอยู่กับธรรมในริยาบทต่างๆยืนเดินนั่งนอนเต็มวิถีธรรมิติระหว่างสันติธรรมที่มีเป็นฐานเดิมประจําความบริสุทธิ์และธรรมประเภทต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับใจและแสดงความหมายไปในแง่ต่างๆกัน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 ไม่มีขอบเขตเหตุผลพอจะนำมาเทียบมาวัดได้เพราะจิตกับอัริยธรรมที่ครองกันอยู่ไม่ใช่สมมติจึงไม่เป็นฐานะจะนำมาเทียบกันพอออกภรรษาแล้วคณะสัายาติโยมที่เคยอุปถากรักษาท่านก็พากันไปอาราธนานิมนต์ท่านลงมาและอาราธนาท่านให้โปรดเมตตาสั่งสอนตามหมู่บ้านแถบอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกนครท่านจำต้องลงมาทั้งที่อะไรเสียดายสถานที่แห่งนั้นไม่คิดจะจากไปไหนง่าย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 ไม่มีใครไปยุ่งกับพวกแกรหรอกที่นี่เป็นที่พระท่านอยู่บําเพ็ญธรรมท่านจึงห้ามมาให้พวกแกส่งเสียงอื้ออนะึงนักพอได้ยินเสียงพระท่านร้องบอกก็พากันสงบอารมณ์ไปพักหนึ่งแต่ยังพอได้ยินเสียงเกี้ยวพาราศีกันซุบซิบอู๋อี๋เบาๆอยู่ใต้ถุนศาลาอันเป็นลักษณะบอกกันว่าพวกเราจะส่งเสียงดังกันนักสี่พระท่านรําคาญและร้องบอกมานั่นไงละ่ะทําเสียงเบาๆหน่อยเถอะเพื่อนเดี๋ยวเป็นบาปที่กลาขึ้นหัวนะ แล้วก็หยุดไปพักหนึ่งต่อไปก็มีเสียงโครนครางและกัดกันขึ้นอีกไม่ยอมหนีไปที่อื่นตามคําท่านบอกและพากันเมาใต้ถุนวรนาศาลาเป็นที่เล่นสนุกกันตั้งแต่หัวข้ามจนสองยามเพราะที่นั่งทําสมาธิภาวนากันบนาศาลาหลังจากฟังการอบรมทําแล้วก็ทําด้วยความไม่สนิกใจเพราะกลัวเสือจะพากันโดดขึ้นมาภาวนาด้วยเนื่องจากขณะนั้นเสือโคร่งใหญ่สามตัวก็ยังส่งเสียงขู่เข็นคํารามและกัดกันอยู่ใต้ถุนศาลานั้นด้วย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 ทำเอาพระนั่งภาวนากลัวตัวแข็งไปตามๆกันจิตไม่อาจส่งไปนอกลู่นอกทางได้เพราะกลัวอาจารย์ใหญ่ทั้งสาจะพากันโดดขึ้นมาให้โอวาตบนศาลาเล็กด้วยท้าทางต่างๆแต่ก็ดีและน่าชมสัตว์สาตัวที่ไม่แสดงโลดโผนเกินกว่าเหตุอุตริโดดขึ้นบนศาลาในเวลานั้นยังรู้จักฐานะของตัวของท่านบ้างไม่ก้าวไกลหน้าที่อันควรแก่ภาวะของตนแสดงเพียงเบาะพอหอมปากหอมคอแล้วก็เลิกลากันไป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 หมูป่าเป็นทุกฝงซึ่งแต่ละโขลงและฝงมีจำนวนมากมายและไม่สู้จะกลัวผู้คนมากนักปีท่านจำพรรษาที่นั่นอุบายต่างๆเกิดขึ้นโดยสม่ำเสมอและต้องคอยเตือนพระเสมอไม่ให้ประมาทในการรักษาธุดงววัตรเพราะอยู่ในถ้ำกลางสิ่งที่ควรระวงังหลายอย่างต่างๆกันโดยอาศัยธุดงววัตรเป็นเส้นชีวิต จ, จิตใจมีธรรมวินัยเป็นที่ฝากเป็นฝากตายใจจึงอยู่เป็นสุขไม่วาดเสียวสะดุ้งกลัวต่างๆการขบฉันก็ น, น้อย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 มีใจกับทําเป็นเครื่องฉโลมหล่อเลี้ยงให้เกิดความอบอุ่นเย็นใจอยู่ที่ใดไปที่ใดก็เป็นสุขโตแบบลูกสิทธถาคตไม่แสดงความอดยาขาดแคลนในทางใจพระธุดงกรรมฐานที่มุ่งต่อธรมท่านไปและอยู่โดยอาการอย่างนี้ท่านจึงอยู่ได้ไปได้ยอมอดยอมทนความลำบากหิวโหวยได้อย่างสบา ย, ายหายห่วงกับสิ่งทั้งปวงมีทําเป็นอารมณ์ของใจเรื่องสัตว์ต่างๆ ท, ท, ที่ชอบมาอาศัยกับพระท่านผู้อ่านกรุณาคิดว่า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 ทมคืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่แสดงออกให้สัตยินดีรับกันทั่วโลกไม่มีใครรังเกียจนั้นคือทาโดยธรรมชาติทมนั้นแสดงอาการความสงบสุขความร่มเย็นความไว้วางใจความมีแก่ใจความเมตตาความเอ็นดูสงสารความมาเถิดอยู่เถิดไม่เป็นภัยแน่นอนเป็นต้นการแสดงออกแห่งกระแสธรรมเพียงเท่านี้สัตว์ทุกจาพวกชอบและยอมรับกันทันที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 นอกนั้นเป็นเวลาทางานของมันเสียสิน้นดังนั้นการทําความเพียนจะลดย้อนอ่อนข้อและผัดเพียนเลื่อนเวลาอยู่จึงทําให้กิเลสตัวขยันหัวร้อเอาการเปลี่ยนสถานที่และอุบายอยู่เสมอจึงพอมองเห็นความแพ้ความชนะกับกิเลสบ้างไม่ปล่อยให้มันรับมาเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวดังนี้เหตุผลของท่านก็น่าฟังและเป็นคติได้ดีสําหรับผู้ไม่นอนใจให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ำทาลายเอาทุกๆ ก, กรณีที่จิตไหวตัวท่านชอบเที่ยวไปทางภูสิง ภูวัวภูหลังกาและดงหม้อทองเขตอำเภอเซกาอำเภอพรมพิสัยอำเภอบึงการจังหวัดหนองคายและอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครธนมแถบนั้นมีภูเขามากเช่นภูสิงห์ภูวัวและภูลังกาซึ่งล้วนเป็นทั้งเลดีๆเหมาะแก่การบําเพ็ญธรรมอย่างยิ่งแต่ห่างไกลหมู่บ้านมากบิณทบาทไม่ถึงต้องมีคนผาเปลี่ยนปันขึ้นส่งอาหารที่ดังกล่าวเหล่านี้เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่านานาชนิด มีเสือช้างกระทิงวัวแดงเป็นต้นพอตกยบายและเย็นจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้ร้องสนันวันไหวไปทั่วทั้งป่าผู้มวสละตาจริงๆยากจะอยู่ได้เพราะเสือชุมมากเป็นพิเศษและไม่ค่อยกลัวคนด้วยบางคืนพระท่านเดินจงกรมทางความเพียรไปมาอยู่มันยังแอบมาหมอบดูท่านได้โดยไม่กลัวท่านเลยแต่ไม่ทาอะไรมันอาจสงสัยแล้วแอบด้อมเข้ามาดูก็ได้